ทำกันนะการปังธรรมก็คือการปังเรื่องของตัวเรานี่การปฏิบัติธรรมก็คือการเปลี่ยนความล่ายเป็นความดีที่เหมือเกิดขึ้นกับโลกตัวเรานี่เรามีกายมีใจปัญหาก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่ การแจ้งความรอายเป็นความดีเป็นหน้าที่ของตัวเราหรือว่าปฏิบัติไม่เกี่ยวกับลาที่นิกายใดๆเพศวัยหรือว่ามีกายมีใจทั้งนั้นคนในโลกนี้แต่สิ่งที่เกิดขว้นกับกายกับใจอันเป็นการปฏิบัติเปลี่ยนได้ เปลี่ยนให้เป็นถูกต้องมันไม่ถูกต้องเปลี่ยนกฎความถูกต้องได้ความผิดเกิดขึ้นในกายที่ใจเป็นปัญหาต่อการต่อใจแล้วยังเป็นปัญหาต่อคนอื่นจึงหรือวัตถุอื่นทุกคนต้องแก้ไขอาใช้ตัวบทกฎหมายไม่ได้วิธีปฏิบัติธรรมมันเป็นวิทยาศาสตร์ ดูได้เห็นได้ปฏิบัติได้มีสติคือทำประกอบขึ้นมาได้ทำให้มีขึ้นมาได้รวมรู้จึกตัวเราใช่เรียนรู้ต้องประกอบขึ้นสติมันจะมีต้องประกอบขึ้นมาไม่ใช่ระท่องจำ การท่องจำได้ความรู้เราเรียนรู้จากความจำความรู้ที่เกิดจากความจำไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากการพบเห็นความรู้ที่เป็นเกิดจากการจำแบงแก้ไม่ได้อะไรผิดอะไรถูกเราลู ความโกดไม่ถูกต้องเราลู้ว่ามันไม่ดีเราก็ยังพากันโกดอยู่ใครก็ลู่ว่าไม่ดีความทุกข์ก็ไม่ดีไม่มีใครชอบแต่เราก็ยังทุกขอยู่ตงทั้งที่รู้ว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นความลูเมันยังช่วยไม่ได้ ต้องมีการปฏิบัติแบบมีสติดูแลกายใจให้มันดีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจให้กายไปจุ่มเอาสติให้ใจไปจุ่มเอาสติให้รู้สึกตัวเป็นะจทำต้องหัดทำต้องไม่ทามันไม่เกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากกรรมคือการกระทำอย่างที่เราสาธิยายพระสูตรกรรมเป็นของของตนอรยานังวา ป, าปาปการังวาคนที่ทำดีก็ได้ถูกได้มีผลดีคนที่ทำชัว่วก็มีผลชัว่วจอบยาอจำแนกสตน ก็เคยมีความหลงก็มีความหลงเรื่อยไปไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็ยังมีความโกรธเป็นความโกรธก็ยังมีความโกรธเรื่อยไปเพราะไม่เปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้ก็มีความทุกข์ก็ยังมีทุกข์เรื่อยไปไม่เคยเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้ไม่เปลี่ยนสักทีหลงที่ใดก็เป็นหลง ปวดที่ใดก็เป็นปวดทุกที่ใดก็เป็นทุกวก็ยังติดล้วจะไปติดที่กายที่ใจเพราะใช่กายใช่ใจไม่เป็นใชกายผิดใช่ใจผิดบางทีไปให้ความสำคัญมั่นหมายสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือบ้านในอารมณ์ที่บายอ่อบจิตว่าเป็นจิตไปเลยก็มี เช่นบางคนเกิดความโกรธยึดถือความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมต้องทำตามความโกรธก็ทําทให้เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นว่าไม่เคยเปลี่ยนความโกรธหลบใช่ความโกรธหลบใช่ความทุกข์หลใช่ความหลง ตาเวลาหล า, หลายทุกข์ก็นะตาล่วงหน้าบูดหน้าเบึง้งแสดงออกไม่รู้จักอายอ่างกูได้โกดเนี่ยกูอ๋อกูเป็นตัวกูไปถ้าได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนวงโกรธเกิด ท, ที่ใจเวดาการที่มันจรมาเพราะเราไม่มีสติ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 ไม่รู้จกสมรวมไม่มีสติคอยเปลี่ยนแปลงแ่ขไขไม่เคยปฏิบัติไม่เคยดูแลแล้วก็ติดอะไรไปเยอะๆไปเลยแต่ก่อนนี้จิตบริสุทธิ์หมดจดจาอเครื่องโซ่หมองเหมือนผ้าขาวสะอาดแต่เมื่อใช่ไม่เป็นมันก็เปิเปดดื่อนเลย แต่ความจกปุกไม่ใช่ผ้าผ้ามันไม่สบปกุกความจกปุกมันเป็นสิ่งที่โผนมาตั้งนากซักออกได้กันใดก็ดีจิตใจเราก็ดีปฏิบัติตามก็คือขูดเก่าหัดออกเชนเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนั่นหรือว่ารักษา ไปรักษาใจเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงให้ลูกจักตัวว่าสุขสักพอกแล้วมาจิตทัดกายแล้วงาาไลเป็นดีเมื่อที่ได้หลงที่ได้เป็นลูกด้ยความลูกเจ้ความหลงท้วยเทในปัญญาจากปัญหา มันเกิดกับกายกับใจนี้มีปัญญาเพราะมีปัญหาจึงมีปัญญาปัญญาเกิดแบบไม่รู้ว่าปัญญาพุท ธ, ธะเป็นวิทยาศาสตร์ต้นหนึ่งความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงสัดทิ้งใจได้ถูกต้องความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เหมือนจริงกว่า กว่าโกรธไม่จริงกว่าไม่โกร ธ, รปกรธเป็นจริงกว่ามีาเว็นคำตอบเอาเองถ้าเราได้เห็นพกเห็นไม่ใช่เรียนรู้ไปเจอเอามีสติอยู่เป็นเกณฑ์เชื่อวัดเหมือนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจโลกแต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจเห็นเชื่อโลก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 เล่นหลงตาก็เป็นโรคมะเร็งตมน้ำเหลืองก้เนเมื่อโตเร็วในลำคอในจอบเยือนตายบายหมอจอดก็เนื่อในคอไปพิสูจน์วิทยาศาสตร์บอกว่าก้อนเมื่อแบบนี้เป็นก้อนเดือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโตเร็วตอนคอหายใจไม่ได้ แล้วก็มีความลู่เรื่องหยุกเรื่องอยอมีหมอที่มีความลู่โทรมาแฝกมาจากสหรัฐโดยไปอยู่ที่นั่นไปสอนธรรมที่นั่นแต่ว่าริทราบว่าหลวงพ่อเป็นป่วยเป็นโรคมะเล็งก็เนื้อโตเร็วในลําคอรักษาได้ให้เจมูตัวใหม่เข้าไปเลย รักษาได้ตาบระเจ้าปฏิเสธวิธีการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้เจมูหลวงพ่อดโดยด่วนจะได้หายใจได้ได้ยินเขาอา่านในฟังได้ยินในแพทย์อา่านในฟังหมอลงไยาบานจุลาก็พร้อมอยู่แล้วให้เจมูลงไปเลยรักษาได้ยังไม่ตายเท่าทุกวันนี้ อันนั่นคืออาใช้วัตถุที่หนึ่งที่สองมีความรู้ก็ใครไม่มีความรู้ก็เลิกสอไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกเบใจเหล่านี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรามีสตินี่ก่อนเป็นไปเพื่อความดับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพานนี่มันเป็นความรู้ที่เป็นพุทธะเรงโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเปลี่ยนตัวเอง ไม่มีอาศัยใครที่มาเปลี่ยนเลยหลงเองต้อรู้เองทุกเองต้องไม่ทุกเองรู้จักตัวเองโคตรเองต้องรู้จักตัวเองจริงจดแจ้ไขได้ตรงกันข้ามเมื่อมีความหลงก็มีความไม่หลงอยู่ในข่าวเดียวกันนั้น เมื่อมีความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่ในคราวเดียวกันนันเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีความไม่ทุกข์อยู่ในคราวเดียวกันนั่นนั่นไม่ต้องไปด่ากันไมนต้องไปฆ่ากันเปลี่ยนว่าเอาเปลี่ยนเอาแก เ, เอาใครก็รักษาอย่างนี้ก็ยังจะไม่มีปัญหาตัาในโลกคนไทย หกบาล้านคนทุกคนดูแลตัวเองให้ดีก็จะสงบเป็นปกติเป็นสันติสุขเกิดขึ้นได้พราะปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็ไม่อยู่เป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอย่างเ่าเป็นพทธเจ้าเพราะการปฏิบัติแต่ก่อนนั้นเป็นเจ้าว่าชายเรียนรู้มาจิตาตร ไม้ ใ, ใครเจ๋งกว่าศิริธาได้จะไหมสองันหกร0อยปีนู่นจบสิบเจ็ดศาสตร์สี่แม่ยิงะหนูฝนดาบนอกจากนั้นกวิทศาสตร์สากลทั่วไปแต่ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนี้เห็นความเจ็บความเจ็บความตายหาทางออกไปได้ ใครเจ็บก็เห็นแต่ร้องไห้ใครตายก็เห็นแต่ร้องไห้ผู้ยังไม่ตายก็ร้องไห้อะไรอาวรณ์ถามพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายตอบไม่ได้จะทํายังไงเมื่อมีความแจ็ก็ต้องยอมรับความแจ็เมื่อมีความเจ็บก็ต้องยอมรับความเจ็บมีความตายต้องยอมรับความตายต้องคอยทุกข์คอยร้องไห้ ไม่มีทางอื่นหรือที่ต้องแก้เรื่องนี้ตอบไม่ได้เลยถ้าถาก็ไม่น่าใจที่จะช่วยคนในโลกหาทางอย่างไรหาคำตอบอย่างไรบางท่านที่เรียนมาก็ไม่รู้กเลยมองตรงกันข้ามหรอก้ามีความแยอต้องมีความไม่แยอ ถ้ามีความเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บถ้ามีความตายก็ต้องมีความไม่ตายแน่นอนมีกลางวันก็มีกลางคืนมีหนักก็มีเบาในโลกนี้มีของมีคู่คือได้ทฤษดีแบบนี้เป็นเบื้องต้นอะรก็มีคู่น่าจะมีทางที่จะแค่ได้ ก็รัเผิดชอบคนในโลกจะช่วยคนในโลกจึงจออกศึกษาเรื่องนี้การออกศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่ไม่เหมาะจ่เพศอืน่นจึงสแสดงตนเป็นอนาคาลิกะบุคคลเป็นนักบวชตละออกก็จเป็นนักบวชต้องออกจากบ้านจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยบ้านโดยเรือนแล้ว ดังที่เราจาเทพสูตรสัทธาอัคละสามะนาคาลิยังปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนแล้วตัดชะเมงภควติพรมาจาริยังจลามาประพฤติอยู่เช่งพรหมจรรย์สิขารละธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต นาศึกษาพิชูดเดียนกับอาจารย์ซึ่งสมัย น, นั้นมีครูทั้งหกลุดงดังตัวที่เกิดกมพลครูคุคคจกจักรกัจจายนะสนใจเวลาตะบุตรอะไรจำไม่ได้หกครูสมัยนั้นดังอยู่มีลูกศิษย์ทั่วโลกทั่วประเทศ เจอใครก็บอกว่าครูโลาไงทุกทีเป็นครูคนนั้นเป็นครูของเราอที่กับกัมพลเป็นครูของเรากูโกจากกัจจานะเป็นครูของเราสนใจยวันเิศตบุตเป็นครูของเราอะไรแสงออกอ่างอรทิศอ่างนิกายอ่างวันนะเราเป็นธรรม จะมีทุกวันนี้ในประเทศอินเดียเลยไปมหาวิทยาลัยบารานซีจะพวกพรามจะเข้าห้องน้ำก็พวกสูตรเห็นก็ต้องนั่งดูก่อนเวลาพรามออกมาพวกสูตรต้องเข้าไปล้างห้องน้ําให้ขอยอมรับอจังนั่น ก็พรมใช่ห้องน้ำแล้วออกมาเห็นสูตรตรงที่ให้สูดไปลางให้ด้วยสูตรก็เข้าไปลางห้องน้ำให้ยังมีอยู่ทุกวันนี้เห็นเดือบตาก็ขนาดนั้นจิตตตะแวกออกมาทำลายหมดมมนมีชาติชั้นนรร้าเลยเป็นคนเหมือนกันนีเกิดเจ็บเจ็บตายเหมือนกันมาเอาเรื่องนี้ก่อน เราทำไงจึงจะศึกษาเรื่องนี้นะ้เรไปศึกษากับทุกานเราบทเาเราเบทสอนจนจบหัว อ, อะไรก็สอนจบย้อนตอบเรื่องนี้ไม่ได้ได้มาศึกษาด้วยตนเองหกปีเกือบตายวิธีที่ศึกษาเรื่องนี้ก็มาเห็นจิตขนาด ผมโศต้อลมานตัวเองไม่กินข้าวไม่กินน้ําจนเจอช่วยตัวเองไม่ได้ปันจั๊บวชีต้องเอาลงอาบน้ําต้องออกขึ้นน้ําต่หนอนหน้าก็ยังโกรธปันจั๊บวิีบ้างมีจิเลตันหาฮะคถึงพิบาลาหูนคิดถึงอะไร คนมีลูกก็อาจจะคิดถึงลูกคนมีเมียก็อาจจะคิดถึงเมียคนเคยอยู่ประชอดสอนดูก็าอาจจะมีความสุขงี้สาวสนมกำลังในไม่ไปปลูกเกียร์ปนมาอยู่อย่างนี้ก็ไอ้ไหลไหลไปชวนกะะ็เสดเห็นว่ามันเกิดจากคิดนี่แหละเรเอางานลบคิดซะก่อนเลย มาตั้งโลกแบบใหม่เรกยนาษาเรื่องกีดการเรียนภาษเรื่องจิดจดทำไงานก็ตั่งคู่เฉินเข้ารู้จักตัวเหยียดเฉินออกรู้จักตัวเอาสติเป็นไปในกายเป็นประจอาเหมือนเราเลยว่าได้สวดไปสอนก็นอยู่ทุกวันนี้คู่เฉินเข้ารู้จักตัวเหยียดเฉินออกรู้จักตัว เวลาใดมันคิดถึงพิมพ์ปาไปกับบิดละพัดกลับมาลู่จึกตัวเวลาใดคิดถึงหล่าหุนกลับมาลู่จึกตัวเวลาไดคิดถึงภาษาสามลู่กลับมาลู่จักตัวเวลาใดมาคิดสาวฉันถึงสาสนมกลับมาลู่จึกตัวไม่ได้ใช่ความคิดเป็นความคิดเปลี่ยนมาลู่จึกตัวกลับมาหาที่ตั้ง การทำอย่รีบว่าวิชากรรมาฐานพราะเราก็ออนี่มาสอนกันอยู่ต้นต้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเพราะทำเรื่องนี้รู้จักตัวกุศลดอกรู้จักตัวนี่กลับมานี่ปฏิบัติกับมือตั้งบ่ายกับมาตั้งวายจะต้องเจอกับความคิดบ้างอะไรจะมันเกิดขึ้นวะ รวมรูดชุกตัวเป็นเกณชีวิตอะไรก็รูดชุกตัวกับการเคลื่อนไหวกับนิมิตที่อาศัยนี่รอางกายเป็นนิมิตบางีก็ล้มหายใจเป็นนิมิตบางทีก็อ า, อาการหลังต่างเป็นนิมิต ด, ดังแพทต์ปดเลิมใหญ่ตั้งอยู่ที่หลานธรรมเป็นพระสูตรแท้ เขียนว่าอย่างนั้นผูเฉีนเขามีสติไปในกาลเป็นประจำสอประชาระบพัคและการได้เกิดขึ้นรูจกกอกรูเพราะมันมีกายมีใจทุกคนมีกายมีใจถ้ามีสติก็เป็นอันเดียวกันเลยไ ม, เไม่ใช่เพศไม่ใช่ลทีไม่ใช่นิกาย ก็ใช่ชาติศาสนาเพศใดวัยใดจะเป็นคนนักบวชจะเป็นคารวะคนหนุ่มคนแกเหมือนกันหมดมีความหลงก่อนมีความทุกข์กเหมือนก่อนมีความโกรธเหมือนก่อนมาสศนตัวเองย่างนี้ทุ่มฉนเข้าเยวฉันดอกมีสติไปในกายจนประเจมทุกหลอกก็ทาอย่างนี้ พัฒนามาเรอยๆวิธีนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเกือบจะร้อยปีแล้วพัฒนาไปเรื่อยจนมาเป็นรูปแบบสร้างสมบัชยบัพพะ ท, ทุกทุกวินาที14การเคลื่อนไหว1ลู่2ลู่3ลู่4ลู่5ลูห6ลู่ เดลู8ปลู9ลู่สลู11ลู12ลู13ลู14ลูนเมาลงไปทุกวินาทีลู่ทุกวินาทีลู่ทุกวินา ท, ท, นาทีที่มีการเคลื่อนไหวหัดอย่างนี้วงลู่จักตัวต้องหัดตัวเองไม่มีใครบอกกันได้ต้องสัมผัส เากายไปส้อมผัดเอาใจไปสอมผัดลูด่ทุกวินาทีนาะทีหนึ่งหกสิบวินาทีเชื่อมงหนึ่งสาม0ันหกร้อยวินาทีเชื่อมอง 1, อาจจะได้ส6มพันหกร้อยลู่ถ้าลู้ทุกทุ ก, กริวบทเรื่องรมปัญญาบับพระดมพระตรไปดูกนั้ ลู่จับตัวอยู่ชิบสี่วินาทีให้ลู่อยู่นี่ให้ลู่อยู่นี่ถ้ามันเคยเชินได้เปลี่ยนอะไรเป็นลู่เปลี่ยนอะไรเป็นลู่เยอะแยะไปหมดเลยเพราะมันมีงานให้ทําแล้วบัดเนี้ความลู่จักตัวจะเป็นวิทยาศาสตร์ชื่อว่าอะไรไม่ใช่ความลู่จะเห็นเงินได้ถูกต้องหมดปฏิบัติได้ให้ผลได้อย มันหลงเปลี่ยนไม่หลงได้มันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้เปลี่ยนเป็นความรู้ได้อย่างนี้พระเจ้ายังบอกว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนได้สบาขาโตพระกักวาระธรรมโอธรรมอันเราตัดไว้ดีแล้วอะไรไว้ดีแล้วสอนที่จโกผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง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 สมหลงน้อยลงพวงรูปเพิ่มขึ้นมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติมันก็เป็นผลของธรรมชาติเรียกว่าธรรมะมันก็เปลี่ยนรอยเป็นดีเกิดขึ้นที่กาที่ใจได้บ่อยๆเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปเปลี่ยนโกรธเป็นรูปเปลี่ยนร้ายเป็นรูปหมด ไม่หลงเป็นหลงไม่ทุกเป็นทุกไม่โกรธเป็นโกรธเหมือนเมื่อก่อนเลยเปลี่ยนร่ายเป็นดีเปลี่ยนร่ายเป็นดีจิตใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นหมุดหงิจากเครื่องส่องขึ้นโดยหลงก็มไม่หลงก็เปลี่ยนอย่างนี้รู้กแจ้งผมหลงไม่ถูกต้องผมไม่หลงถูกต้อ ง, อ ง, องจริงๆแต่จิตใจได้จริงตามความถูกต้อง ื่อตัดทิ้งใจตามก็ถูกต้องเด้อแล้วตาอาภาพเสียงนะไปะเลีงกินหลดอดก็ไยลอยตายหมดนี้ไม่มีไม่มีใจลอยไม่มีเสียงเมื่อมันถูกต้องอย่างนี้เหี๋แจ้งเดีวยววิปัสสนาที่ผิดที่ถูกทีตัวเองได้ จิตใจก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเนศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นญาณเป็นชาลูกอะไบ้าหลุดพ้นจากอะไรต่างๆไปแล้วก็ไปโดนไปเลยเมื่อเห็นความแก่ก็ม่ความไม่แก่เอาลงไปเ ล, ปลยบ้ามันเข้มแข็งเหมือนเหลาเรียนลูกทะลุทะลวงไปเลยชำนาญเหมือนกันกบมัดปดถม ปฐมมัธยมชั้นอุดมเหมือนกันความชํานาญแต่ละการศึกษาก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันถ้ามาชํานาญในการเจริจิตวิมัิต้องตัวมันก็เปิดเป็นความชํานาญเป็นปริญญาได้ยาตาปัญญาโลอบลู่ให้ติคณะปริญญาแจกแจงได้รวมหลงไม่ถูกต้องเขาหลงถูกต้อง ตอมหลอกอ้สัตว์สิเอืนที่งเอืนทางไปเลยาหว่านเอาประโยชน์ทให้สิ่งที่มันดีหมดไปง่ายง่ายหว่านพระสูตรที่กล่าวว่าเหมือนช่างกินอ้อยพร้อมที่มีสติมีเพียรเพ่งอยู่เจตนงหาเกิดขึ้นลู่สักตัวง่ายเหมือนจางเหมือนช่างกินอ้อยเหมือนหลายต่างๆที่เปรียบเทียบเช่นนั้น ผู้มีความจำนานเกิดขึ้นก็ต้องมีศาสต์มีศีลเป็นธรรมะเป็นมรกคผลเกิดขึ้นแล้วการกระทอมเมื่อมีความแจกก็มีความไม่แจกไม่มีความเก็บก็มีความไม่เก็บเมื่อมีความตายก็มีความไม่ตายเกิดขึ้นมไม่มีใครไม่ได้เก็บเาความเก็บไม่ได้ตายพราะวมตายมันไปนู่นปฏิบัติธรรม แล้วเริ่มต้นจากความรู้จักตัวตามกลางคือความรู้จักตัวที่สุดก็คือความรู้จึกตัวมีสติเป็นหน้าโลกเหมือนพระกีนาศกู้มีสติเป็นวิ น, นัยพระขีนาศกคือพระหรหันมีสติเป็นวิ น, นัยหน้าโลกอะไรเกิดขึ้นที่กาวเยวรูล้ลูงูเมื่อถูก สร้าิดความรู้นี่ก่อนจิตก็บริสุทธิ์ปลอดภัยเป็นธรรมแต่ก่อนนี่กายไม่เป็นธรรมปีดใจก็ไม่เป็นธรรมต่อกันเบียดกายเบเบียนใจใจเบียดเบียนกา ย, กกา ย, กกายแต่ก่อนนี้เป็นอย่างนั้นบันนี้ไม่มีแล้วเพาเราศึกษาจริงๆนะทุกเอาเรื่องใจเป็นทุกข์กายก็เดือดน เวลานอนหาเรื่องไม่คิดคิดแล้วก็นอนไม่หลับกลายเป็นทุกข์เพราะใจบังคับไม่ก่อยไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้พักผ่อนหอยหิวข้าวใจเป็นทุกข์ไม่เป็นทํามต่อก่อนสองท่าดีเป็นกายเป็นใจไม่ใจก็พึ่งไม่ได้ถ้าไม่หัดมันน่ะมันโดนร้าย บางคนก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรตามๆอารมณ์ที่เหมืนอนจรมาร่วมร้ายคุ้มดีแ ล, ดแล้วเราปลึกแลวมันก็มั่นคงมั่นคงพึ่งได้พึ่งความดีที่พึ่งความดี พ, มดพึ่งตนได้คือชีวิตของเราที่จริงๆเป็นอย่างนี้ ควรที่จะตื่นแต่ดึกสึกแต่นมเพื่อมีความรู้เรื่องนี้แล้วจะใช้ชีวิตไว้นานได้ความสะดวกได้ขนส่งได้ช่วยนุษย์สุดโลกนี้เหมือนพระพุทธเจา้าอุบัติขึ้นเพียงพระชีวิตเดียวไดยสั่งสอนได้บอกคนเป็นแบบอย่างจนเกิดพุทธบริจจน มีภิกษุสมเล น, นอุบาชกบาจิกานี่คำคำสอนจนพวกเราได้มาปฏิบัติตามมิชติแต่ก่อนนี้ไม่มีเลยียู่นี่อาศัยอะไรต่างๆท่องผ้ากลัวไปหมดนี่เราก็มีธรรมะมีศาสนาเป็นศาสนาศาสนาคือคำสอนสอนคน คลเรก็มีกายมีใจเหมือนกันหมดเปิดใจเจ็าจตายเหมือนกันหมดมีจุดเดือดตนหาความโกรธโลภหลงเหมือนกันหมดปฏิบัติธรรมก็คือมาแก้ปัญหาที่มาเกิดกับกายกับใจนี่ให้เหมือนจบซะความหลงเป็นขั้งสุดท้ายความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายความโกรธเป็นขั้งสุดท้าย ถ้าเราศรึกษาเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ศึกษาก็ยังโกรยังทุกอยยังหลงอยู่ทุกประความทุกข์หลงประความหลงโกรธประความโกรธเวลาสมัยแล้วพอพัฒนากันแล้วคนทุกวันนี้ธรรมะเจริญมีการศรึกษากันมากแล้วคุเรบุทมโนบวาชิกา วว้จึกเสอแล้วนี่กันมากแล้วในประเทศต่างประเทศหลัง ต, ต่อเคยไปสอนมาแล้วสิบเจดประเทศแล้วไปสอนก็มาถอนนี่เรื่องเรื่องชีวิตโตทุกชีวิตไม่ใช่ลราที่นี่ก็ชาติพาลสเป็นชีวิตตันเดียวกันแท้ๆมีสติก็เป็นคนคนเดียวกัน ถ้าไม่มีสติก็หลงเป็นคนละคนไปด้านคนในโลกนี้ถ้ามีสติจะเป็นคนคดเดียวกันทันทีทุกคนค็ละความชั่วทำความดีทําให้เจิตบริสุทธิ์เหมือนกันหมดก็พึ่งบ๊อบใส่กันได้ก็ไม่เดือดร้อนต่เราไม่เป็นคนดียังข่าเฉียนอยู่ในโลกนี้เราก็เดือดร้อน เื่นทุกวันนี้อากาศลน้นบางคนผูกคอตายผู้คนร้อนตอนนักสืบพิมพ์ดูเพราะอะไรเพราะคนลำลอยลกูกค น, นเฉียดตัวมากคนเฉียสฉลาดไม่น้อยตามๆความคิดความอยากลกูกโวดหลง เรา่อยจาะปลอดภยัยชีวิตมีแต่ภยัยเราเป็นคนดีก็ลำบากเส่นเราไปตัดต้นไม้ชักต้นเราก็เดือดร้อนแต่คนอื่นเขาตัดต้นไม้เราไม่ได้ตัดไมได่ทำลายเราก็เดือดร้อนเหมือนกันเราจึงมาช่วยกันเป็นคนดี นับหนึ่งจากตัวเรานี้ยิ่งเราก็เป็นชาวสังคมไม่คอบกลัวพ่อแม่พี่น้องเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์เปิด เ, เจ็บเจ็บต่อยแขนพวกเจ้าหน้าที่เจน้ชุกนี่เป็นงานบุญดูแลคนเก็บคนป่วยหลงต่อถือว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ทำงานเป็นบุญ ถ้าไม่มีคนพวกนี้เราตายไปแล้วพ่อแม่ส่งลูกหญิงลูกชายไปเรียนหนังสือเรียนเก่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรียนการแพทย์เราเอาความรู้มาช่วยเราถ้าไม่มีคนพวกนี้เราตายไปแล้วเป็นงานดีงานชอบมาช่วยกันนี่เป็นหน้าที่จริงจริง งานมนุษย์แท้ๆเนี่ยงานช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่งานทำลายขาดแขนหมอขาแขนเจ้าลีเสจอศพก็เดือดร้อนฉะนั้นเป็นงานบุญแล้วเอาความรู้นี้ก็ไปอีกไปดูคนป่วยคนเจ็บเห็นช่งเห็นทางเพราะเป็นปีเจนที่วัดด้ยตัวเองเห่นดูคนก็จะตาย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 เราช่วยเตืองมาได้ที่ก็มีอาจารย์พยบานหน่อยตอนที่ป่วยอาจารย์พบาบาลมาบอกว่าหลองพ่หนูให้ลูกฉิดหลวงพ่อเป็นลูกฉีดพยบานที่ดีๆมาช่วยดูแลหลวงพ่อลูกฉีดคนนี้เคยดูแลสมเด็จจักรลาดเป็นผู้ชายมาดูแลหลวงพ่อ ไอ้วานที่อยู่นี่ก็เทียนเขาลาออกแล้วมาปฏิบัติธรรมที่นี่อา จ, จะนั่งอยู่นี่อ่ <c oughs> <c oughs> นะเรานั่หลวงตาก็เบาเราไปบานเรียกหลงตาหลวงตาหลวตาไม่หนักไม่บวมมาหลายวันแล้วอย่ากันน้นเลยนะมันทรมานตายคือเราตายไปแล้วไม่ร่วเรืองแล้ว หายใจไม่ได้แต่ได้ยินเสียงไปบานผู้หญิงผู้เ จ, เจ้าเยอะหลวงตาหลวงตาหลวงตาอย่าไปกันหนักกั้นเมามันทรมานตายเราไม่รู้ก็พยายามเลยเพราะว่ามันทรมานตายมันมีตายหรือเนี่ยไม่มีตัวไม่ทนหลวงตาที่ไหนหลวงตาไม่มีแล้วอ๋ อ, อทิ้งไปแล้ว มันเมตใจหรือก็มาช่วยคิดขึ้นมาต้องสติขึ้นมาระหว่างมันทรมานตายมันเมตใจหรือเนี่ยตายมันเป็นอะไรมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมิแต่ธาตุแต่นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วนะตายมันเป็นธาตุดิน ผมขนเล็บฝันหนังเนื้อแอกกระโดดเยอะในกระโดกมากหมอใจตับไตปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเอาที่เราสอนที่ย่อยพระชนเออมันเม็ดดนธาตุดินเด้อเออดินต้องเป็นดินน้ําต้องเป็นน้ําไฟต้องเป็นไฟลมต้องเป็นลมไม่พวกเธอช่วยกันอย่าให้หันเกินคิดเล่นๆปล่อยสนุกปลยปลคิดได้ที่นี่ก็ สลบไปอีกให้มีแรงคิดตายไปอีกค่อยๆไปบาลก็เรียกอยู่เช่นนั้นลงต่อลงตอเออพอจีวานเน่ทไม่มีไปบานเรียกแบบนี้ไปเส็จเลยแล้วไม่มีแล้วไม่ใช่ว่าเบาอออคิดดัองนี้ก็เบาออกบาออก็ลูนถังเปลียกที่นอนหมด ไปบานพิ่ขึ้นหลวงพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลองตาไม่เป็นไรไม่เป็ไรปล่อยออกปล่อยออกทั้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเทพา้าไปบานผู้ื่อใครโอ้ว่าแม่ส่งลูกชายลูกสาวไปเรียนเทศเรียนหมอเข้ามาช่วยเราพวกท่านทั้งหลายนี่เป็นงานบุญที่จุดเลยเห็นพวกท่านเหมือนเทพที่ดาเทพประบุเลยเพราะเคยอยู่กับพวกท่าน เกือบสองปีตายไปแล้วเมื่อนำมาเอาวิชานี่ยเไปจะได้ช่วยกันเพราะว่าเคยมาช่วยคนที่นี่น้องตาเคยช่วยคนที่นี้ไปเห็นคนป่วยโรควันน่รโรคบอดบอดแล้วมันก็ไม่มีทางกินหลอดได้ชวนมาอยู่นี่มาตายกับหลังพ่อนี่ย้ดีจะพยายามดูแล ตอนเขาจะตายเขาก็หายใจไม่ได้ลงจ้ท ร, รมานท ร, รมานท ร, รมานท ร, รมานหายใจไม่ได้สงบเฉยๆเราก็ตะโกนบอกอยาไปอารมหายใจมาทดลองกับชีวิตอยู่เฉยๆวางอามหายใจไม่ใช่เราเราชีวิตเราไม่เป็นอะไรอยู่เฉยๆวางสวาง เรียบอยู่ข้างเตียงอตอนลองตาตะโกนบอกอก็จงบลงไม่สังเกตสง้าก็เฉกวนนิ่งตาก็ไม่ทรมานขอกระดาษกับน้องสาวเขียนหนังสือหัวอ่านได้แล้วเฉกจะ บ, บาย ตาอรองต่บอกรู้สึกสบายเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอยู่ตรงนั้นอย่าไปเอาลมหายใจมาต่อรองกับชีวิตชีวิตเราไม่ใช่ลมหายใจเราไม่ได้ตายผู้คมตายแล้วไม่เจ็บพวงเจ็บอยู่เฉยเฉยวางลงวางลงหลับซ่าหลับซ่าแล้วก็นอนหลัไปเลยนี่รู้สึกมันก็ ก็อาจจะได้มีความสงบไม่ได้เป็นทุกข์ความถ่อหัวนี้ต้องเอาใช้พวกเราไอเราเคยเป็นอย่างนี้เปาไปเจนคีดว่าจะได้เพื่อคมป่วยคนเจ็บหมดเสียงแท้นี้ยต้องพ้นใจเวลากลบพก็พร้อมกัน